ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นสัตตะปพระบุพาสิกขาและบุพพสิกขาวันนาพระอมราทิรกิตะอมโรเกิดวัดบรมนิวาสรสนาต่อไปจะเป็นการแสดงเรื่องของข้อวัดต่างๆจากแสดงวัดสิบสี่ตั้งแต่อาคันตุกะวัดไป ทรงบัญยัติไว้ว่าภิกษุเป็นอาคันตุกะเป็นต้นจะพึงปฏิบัติดีด้วยประการใดเราตถาคตจกบัญญัติอาคันตุกะวัดเป็นต้นด้วยประการนั้นในอาคันตุกะวัดความว่าภิกษุเป็นอาคันตุกะมาแต่อารามอื่นมาใกล้อุปจาราศีมาแห่งอารามซึ่งตนประสงค์จะเข้าไปพึงทําความเคารพ ถอดรองเท้าออกเสร็จแล้วคล้องไว้ในไม้เท้าถือเข้าไปถ้ากั้นร่มมาพึงลดร่มเสียถ้าจุมศรีรษะมาพึงเปิดเสียถ้าเอาผ้าจีวรวางบนศรีรษะมาพึงเอาลงวางเสียบนบา่าแต่นอกอุปจาระแห่งอารามแล้วอย่าด่วนค่อยเข้าไปในอารามด้วยดีเมื่อเข้าไปพึงกําหนดว่า พิจูตเจ้าอาวาสประชุมกันอยู่ในที่ใดคือโรงฉันหรือมนดกหรือโคนไม้แล้วพึงไปในที่นั้นวางบาตรลงข้างหนึ่งวางจีวรลงข้างหนึ่งพึงถือเอาอาสนะอันสมควรแล้วจึงนั่งพึงถามน้ำฉันและน้ำใช้ว่าไหนน้ำฉันไหนน้ำใช้ถ้าต้องการด้วยน้ำฉันพึงถือเอาฉันถ้าต้องการด้วยน้ำใช้พึงถือล้างเท้า เมื่อล้างเทา้าพึงราบด้วยมือข้างหนึ่งล้างเท้าด้วยมือข้างหนึ่งรดน้ําด้วยมือข้างไหนอย่าล้างด้วยมือข้างนั้นแล้วพึงถามหาผ้าเช็ดรองเท้ากะเจ้าถิ่นเจ้าว่าหรือว่าเจ้าถิ่นนั้นพึงเอามาเช็ดรองเท้าเมื่อจะเช็ดพึงเอาผ้าแห้งเช็ดก่อนแล้วพึงเอาผ้าเปียกเช็ดภายหลังแล้วพึงซักผ้านั้นเสียบิดสลัดตากไว้ข้างหนึ่ง ถ้าที่ถูเจ้าอาวาสหรือว่าเจ้าถิ่นนั้นแก่กว่าก็พึงกราบเธอถ้าเธอหนุ่มกว่าก็พึงให้เธอไหว้ตนพึงถามเสนาสนะว่าเสนาสนะไหนถึงแก่ข้าพเจา้าพึงถามว่าเสนาสนะกุฎีนั้นภิกษุได้อยู่บ้างหรือไม่ได้อยู่พึงถามโครจรคามที่พิกขาจารว่าใกล้หรือไกลจะต้องเข้าไปเช้าหรือสายพึงถามที่อะโครจร คือบ้านแห่งวิชาทิฏฐิและบ้านที่เขากำหนดพิกษุให้แต่น้อยเพียงทัพีหนึ่งหรือให้แต่องหนึ่งสององพึงถามเศระฐกูลซึ่งสงสมมติไว้สำหรับตระกูลที่ยากจนแล้วก็เป็นพระอริยะซึ่งสงสมมติไว้พึงถามที่ถ่ายอุจระถ่ยปัสสาวพึงถามน้าใช้น้ำฉันว่า ทั้งใช้อาบทั้งฉันในสะ b h a ขรณีเดียวกันนี้หรือพึงถามไม้เทา้าและกะติกาแห่งสงที่ตั้งไว้ในที่บางแห่งสัตร้ายหรือว่าอามนุษย์มีอยู่เพราะเหตุนั้นพึงถามว่าจะพึงเข้าเวลาใดออกเวลาใดถ้ากุดีร้างอยู่พึงเคาะบานประตูหยุดคอยอยู่ครู่หนึ่งแล้วชักสลักผลักบานยืนอยู่ข้างนอกแลดูทานแห่งงูหรืออมนุษย์ ซึ่งจะออกมาให้ทั่วถ้ากูดีนั้นมีอยากเยื่อเตียงซ้อนอยู่บนเตียงตังซ้อนอยู่บนตังห้างบนเสนาสนะเปลี่ยนกลด้วยรังอยากได้รังหมาร่าเต่าถ้าอาจจะชำระได้ก็พึงชำระเสียให้หมดเมื่อไม่อาจจะชำระได้ก็พึงชำระแต่ที่อยู่ของตนเมื่ออาจจะชำระให้หมดได้ใส่ก็พึงชำระโดยในดังกล่าวในเสนาสนวัต ตั้งต้นแต่ขนหรือเครื่องลากทื้นออกและปฏิบัติดังในเสนาสนวัตซึ่งจะกล่าวข้างหน้าจนถึงว่าถ้าน้ำในหม้อน้ำชำระไม่มีไายพึงตักมาไว้ดังนี้นี้แหละเป็นวัดแห่งภิกขุผู้เป็นอาคันตุกะอาคันตุกะเพึงปฏิบัติด้วยดีถ้าอาศัยความไม่เอื้อเฟือในที่จะ ป, ะปฏิบัติตามต้องทุกข์กดในขณะปลงจิตเสียว่าจะไม่ทาตาม ให้พึงรู้ดังนี้ไปทุกๆวัดเถอดอาคันตุกะวัดตันจบจะกล่าวในอาวาสิกวัตวัดของภิกษุผู้เป็นเจ้าถิ่นในอาวาสิกวัตความว่าภิกษุเจ้าอาวาได้เห็นภิกษุแก่กว่าตนมาพึงปูอาสนะตั้งน้ําล้างเท้าตั้งรองเท้ากระเบื้องเช็ดเท้าไว้คอยท่าแล้วลุกไปรับบาคีวร และพึงถามด้วยน้ำฉันและน้ำใช้ถ้าอุตสาหะาไซพึงเช็ดรองเท้าให้เมื่อจะเช็ดพึงเช็ดด้วยผ้าแห้งก่อนแล้วจึงเช็ดด้วยผ้าเปียกต่อภายหลังแล้วพึงซักผ้านั้นบิดสลัดตาดเสียข้างหนึ่งพึงกราบไหว้อาชันตุกะผู้แก่พึงปูลาศแต่งตั้งเสนาสนะแล้วบอกให้ว่าเสนาสนะนั้นถึงแก่ท่านถ้าอาชันตุกะอ่อนป่าตนไซ พึงนั่งอยู่บอกว่าท่านจงวางบาทในที่นั้นจีวรในที่นั้นนี้เป็นที่นั่งจงนั่งเถอดพึงบอกน้ําฉันน้ําใช้และผ้าเช็ดรองเท้าพึงให้อาคันตุกะผู้หนุ่มกราบไหว้ตนพึงบอกเสนาสนะว่าเสนาสนะนั้นถึงแต่ท่านต่อไปทั้งแก่ทั้งหนุ่มพึงบอกเสนาสนะที่มีผู้อยู่ครอบครองมาแล้วและไม่มีผู้อยู่ครอบครองมาแล้ว และพึงบอกโคจรคามและที่ใช่โคจรและเศรตรกูลซึ่งได้สมมติแต่สงและบอกที่ถ่ายอุจระที่ถ่ายปัสวะและน้ำฉันน้ำใช้และไม้เท้าและบอกกติกาสงที่ตั้งไว้ว่าพึงเข้าในการนี้ออกในการนี้ดังนี้ข้อซึ่งอาคันตุกะผู้แก่กว่ามาถึงแล้วแม้ทาชีวรกรรมหรือนวรกรรมอยู่พึงหยุดเสียทำวัดทั้งปวงเถิด เมื่อกวาดลานเจดีอยู่พึงเก็บไม่กวาดเสียตาลบเพื่อจะทําวัดแก่ผู้แก่เถิดถ้าอาคันตุกะเป็นผู้ฉลาก็จะกล่าวว่าท่านจงกวาดลานเจดีไปก่อนเถิดแต่เมื่อทํายาแก่ที่สุกไข้ยอยู่ถ้าว่าไข้ไม่หนักไซย์ยาพึ่งทํายาพึงทําวัดแก่อาคันตุกะก่อนถ้าเป็นไข้หนักพึงทํายาก่อนถ้าอาคันตุกะเป็นผู้ฉลาดไซยก็จะกล่าวว่า ท่านจงทำยาก่อนเธอซึ่งถามด้วยน้ำฉันนั้นถ้าเอามาให้ทีหนึ่งอาคันตุกะเดิ่มกินหมดพึงถามอีกอันหนึเมื่อจะพัดพึงพัดให้พึงพัดที่หลังเท้าทีหนึ่งที่กลางตัวทีหนึ่งที่ศีรษะทีหนึ่ ง, งเมื่อท่านห้ามเสียพึงพัดให้เบาลงเมื่อท่านห้ามเสียอีกก็พึงพัดให้เบาลงกว่านั้นเมื่อห้ามเป็นที่คำรบสามพึงวางพัดเสียเถิด พึงล้างเท้าให้อักันตุกะด้วยถ้าน้ำมันของตนมีพึงเอาทาเท้าให้ถ้าไม่มีพึงเอาน้ำมันของอักันตุกะนั้นทาให้ซึ่งเช็ดรองเท้านั้นพึงทำตามชอบใจตนเถิดแม้ไม่เช็ดให้ก็ไม่เป็นอาบัดเพราะในบาลีกล่าวว่าเมื่ออุตสาหะอยู่พึงเช็ดให้ซึ่งว่าอาักันตุกะถามหาเสนาชนะจะปูลาปัดกวาดแล้วบอกให้ควรอยู่ อันนี้ว่าด้วยอาคันตุกะแก่กว่าในอาคันตุกะอ่อนกว่าตนพึงนั่งอยู่บนอาสนะบอกว่าท่านจงถือเอาน้ำฉันนั้นฉันเถิดดังนี้เป็นต้นไปแม้อาวาดใหญ่อาคันตุกะมาถึงสำนักตนจะไม่ทำวัดนั้นไม่ได้อันนี้เป็นวัดแห่งทิสุเจ้าอาวาาก็คือเจ้าทินทิ่วนเจ้าวา่าพึงประพทิด้วยดีเถิดอาวาสิกะวัดตังจบ จะกล่าวในคำิกวั์วัดที่สามในคำิกวั์ความว่าคำิกะพิกษุคือพิกษุผู้ที่เตรียมจะออกจากอาวาสนั้นไปภิกษุจะออกจากอาวาสไปอื่นพึงเก็บเครื่องไม้เป็นต้นว่าเตียงตังซึ่งเป็นของสงและเครื่องดินแล้วติดประตูหน้าต่างมอบหมายเสยนาสนะเสก่อนถ้าพิกษุไม่มีพึงบอกมอบหมายสมมเนิน ถ้าสามเณรไม่มีพึงบอกมอบหมายผู้รักษาวัดถ้าคนรักษาวัดไม่มีพึงบอกอุบาสกถ้าไม่มีใครเลยพึงวางเตียงบนก้อนศิลาสี่ก้อนแล้วยกเตียงซ้อนเตียงตั้งซ้อนตัง้งกองเครื่องเสนาชนะเป็นต้นว่าฟูกหมอนไว้ข้างบนเก็บเครื่องไม้เครื่องดินปิดประตูหน้าต่างแล้วจึงหลีกไปถ้ากูดีฝนรั่วได้เมื่ออาจจะมุงได้อยู่พึงมุงเสีย หรือพึงทำอุตสาหะว่าฉไ น, นจะพึงมุงได้ถ้าได้อย่างนี้เป็นการดีถ้าไม่ได้ไายพึงตั้งเตียงบนก้อนศิลาสี่ก้อนในโอกาสที่ฝนไม่รั่วได้แล้วลำดับไว้ดังก่อนเธอถ้ากุดีวิหารทั้งหมดฝนรั่วได้อาจจะนำไปได้อยู่ก็พึงนำเสนาชนะไปฝากไว้ในบ้านหรือพึงทำอุตสาหะว่าฉไ น, นจะพึงนำเสนาชนะเข้าไปฝากไว้ในบ้านได้ ถ้าได้อย่างนี้ก็เป็นการดีถ้าไม่ได้ใส่พึงตั้งเตียงบนก้อนศิลาสีก้อนในที่แจ้งแล้วลําดับของทั้งปวงไว้ดังก่อนและปิดด้วยหญ้าหรือว่าใบไม้แล้วจึงหลีกไปด้วยคิดว่าเชไหนแม้อวัยวะเป็นต้นว่าแม่แค่แห่งเตียงจะพึงเหลืออยู่บ้างก็คือชิ้นส่วนของเตียงเหล่านั้นนี่ยังไงยังไงก็จะเหลืออยู่พระสุมาภายหลังก็จะเอาไปทำเตียงทาตั้งได้อีกดังนี้ ซึ่งจะต้องมอบหมายเสยนาสนะนั้นว่าด้วยเสยนาสนะแล้วด้วยหญ้าและใบไม้เป็นที่ควรปลวกจะขึ้นได้เสนาสนะใดเขาทําบนหลังศีลาหรือว่าบนเสาศีลาในที่ใดปลวกขึ้นไม่ได้เสนาสนะนั้นแม้จะไม่บอกกล่าวมอบหมายก็ไม่เป็นอาบัติอันนี้แหลเป็นวัดแห่งคำนิจาการพิจุคำนิการพิจูเพิงปฏิบัติด้วยดีเถิดคำิจากาวัดตังจก สำหรับภิกษุนผู้เตรียมจะเดินทางออกจากวัดเป็นยังที่อื่นต่อไปจะ ก, กล่าวในอนุโมทนาวัดวัดที่สี่นะในอนุโมทนาวัดข้อหนึ่งทรงอนุญาตไว้ว่าเราตถาคตอนุญาตให้อนุโมทนาในโรงฉันข้อหนึ่งทรงอนุญาตว่าให้พิกษุผู้เป็นเถระอนุโมทนาในโรงฉันข้อหนึ่งทรงอนุญาตว่าให้พิกษุผู้เป็นเถ ร, รานุเถระ สี่รูปห้ารูปคอยท่าอยู่ในโรงฉันในอัจถริยว่าพระสังฆเถระนั่งอยู่เพื่อจาอนุโมทนาถัดตรงไปพึงนั่งอยู่สี่องค์โดยลําดับเมื่ออนุเถระนั่งอยู่เพื่ออนุโมทนาให้พระมหาเถระกลับถัดลงไปอีกสามองค์นั่งคอยท่าอยู่เมื่อเถระที่ห้านั่งอยู่เพื่ออนุโมทนาให้พระเถระสี่รูป ข้างบนนั่งคอยท่าอยู่เมื่อพระสังฆเถระเชื้อเชิญให้ภิกษุุมนั่งอยู่ข้างล่างอนุโมทนาตั้งแต่สังฆเถระลงไปสี่รูปพึงนั่งคอยท่าอยู่ท่าแลภิกตุผู้อนุโมทนากล่าวว่าท่านจงไปเถิดกิจจะพึงคอยไม่มีดังนี้ใส่จกไปก็ควรท่านใสอนุโมทนาก็ให้อยู่เป็นเพื่อนสี่ห้ารูป เมื่อมหาเถระกล่าวว่าเราจะไปท่านจงอยู่เถิดผู้อนุโมทนากล่าวว่าท่านจงไปเถิดแม้ดังนี้ก็ควรคอยท่านกลับไปก่อนก็ได้ไม่ต้องอยู่เป็นเพื่อนก็ได้แม้ใส่ใจว่าเราจะไปคอยอยู่นอกบ้านไปนอกบ้านแล้วแม้จะสั่งพิจุผู้ติดของตนให้คอยถ้าผู้อนุโมทนาอยู่แล้วและไปก็ควรถ้าแลกรหัสเขาเชิญพิจุ รูปหนึ่งให้อนุโมทนาตามชอบใจของเขาเธอนั้นเมื่ออนุโมทนาก็ไม่เป็นอบัตและไม่เป็นภารรอยู่แกกดัมหาเทระด้วยว่าในอุ ป, ปัสนิสินนักคาถาอย่างเดียวก็คือคาถาของบุคคลที่เข้ามานั่งใกล้เนี่ยนะมานั่งใกล้มาถามปัญหาต่างๆเนี่ยเมื่อมนุษย์เขาเชื้อเชิญให้แสดงต้องบอกพระเทระก่อนแต่ว่าอนุโมทนานี้เป็นไรนโมทนานี้ ให้เป็นพระแก่พระเถระด้วยแล้วก็กแสดงก็ไม่เป็นอาบัตเมื่ออนุโมทนาซึ่งต้องคอยเท่านั้นแต่ภิกษุที่พระมหาเถระเชื้อเชิญให้อนุโมทนาอย่างเดียวจึงรอคอยต้องรอคอยสี่ห้ารูปเนี่ยเมื่อพระมหาเถระเชื้อเชิญให้อนุโมทนาเนี่ยต้องรอคอยเป็นเพื่อนนี้แหละเป็นลักษณะในวัดอันนี้ข้อหนึ่งทรงอนุญาตไว้ว่าภิกษุซึ่งคอยท่าอยู่นั้น เมื่อกิจเป็นต้นว่ากลั่นอุจจาระมีขึ้นให้บอกลาพระวิษุซึ่งนั่งอยู่ในลําดับก่อนแล้วจึงไปอันโมทนะวัดต่างก็จบต้นเหตุประสาริบวตรตัว น, นโมทนาพระวิษุทั้งหลายก็กลับหดเลยตอนหลังว่าสาริบุตก็กลับมารูปเดียวนั้นเองเมื่อมีใครมาเป็นเพื่อนพระพุทธเจ้า ก, ก็เลยมัญญัตให้มีผู้ที่คอยเป็นเพื่อนบ้างเผื่อพระวิษุใหม่นี้จะขวเอิงหรือว่าจะกระดาษหรือว่าจะอะไรต่างๆ ต่อไปจะกล่าวในพัตตัทวัดวัดทห้านะในพักตักวัดวัดในโรงฉันความว่าถ้าเขาเข้ามาบอกพัต ก, กาในอารามนิมนต์ให้ไปยังโรงฉันพึงปิดกายให้เป็นปริมนทนสามนุ่งให้เป็นปริมนทนผูกประกตเอวซ้อนผ้าสังคาติกับอุตราสง์เป็นสองชั้นห่มกลัดรังดุมถือเอาบาทแล้วย่าดวน พึงค่อยเข้าไปในบ้านด้วยดีในอาตมาถาว่าในภายในบ้านถือวัดก็ตามเมื่อจะไปยังที่อังคาศฉันแห่งมนุษย์หอมคลุมผูก ป, ประคดเอวจึงขวนแม้กระทั่งในวัดเพราะฉะนั้นไปยังที่อังคาศว่าไปรับบาตรที่บ้านของโยมที่อยู่ในวัดก็ตามหรือว่าถ้ามีแม่ชียอยู่ไปรับอาหารเลยทนี้ก็ต้องหอมคลุมไปผูก ป, ประคดเอวด้วย เมื่อเดินไปอย่าลีกขึ้นหน้าภิกษุผู้แก่พึงปิดกายด้วยดีเดินไปในละแวกบ้านรักษาเสกียวัตทุกข้อจนถึงอย่าเดินกระโยงเท้าในละแวกบ้านเมื่อนั่งในละแวกบ้านพึงปิดกายด้วยดีรักษาเสกียวัตทุกข้อจนถึงอย่านั่งรัดเขา่าอันนึ่งอย่านั่งเบียดชิดภิกษุผู้แก่ถ้าอาสนะเสมอกับด้วยอาสนะพระมหาเถระนั่งอยู่ เมื่อที่นั่งมีมากก็พึงเว้นไว้ที่หนึ่งสองที่นั่งให้ไกลในอาสนะเขานับภิกขุปูวไว้คือเว้นไกลไม่ได้นะเพรว่านับไว้ครบจํานวนทัดีภิกขุหนุ่มไม่นั่งถ้ามหาเถระบอกให้นั่งก็พึงนั่งเธอถ้าเกิดบอกนะหรือว่าไม่บอกไม่นั่งเนี่ยพระเถระรู้เขาบอกว่านั่งเธอไม่เป็นไรก็นั่งได้นะ ถ้าพระมหาเถระไม่บอกใส่ก็พึงพูดว่าอาสนะนี้ถูงขอรับถ้าพูดอย่างนี้แล้วเมื่อพระมหาเถระบอกให้นั่งก็พึงนั่งเถิดถ้าแม้บอกอย่างนี้ไปแล้วพระมหาเถระไม่บอกให้นั่งก็คือท่านไม่รู้่นะถ้าเกิดมาดีเรียนพระวินัยมาอันี้ก็ท่านไม่รู้ไม่ได้บอกให้นั่งเมื่อนั่งลงก็ไม่เป็นอาบัติถ้าบอกว่าอาสนะนี้ถูงนะครับนั่งลงก็ไม่เป็นอาบัติเป็นอาบัติแก่พระมหาเถระผู้เดียว ด้วยว่าได้อาสนะเช่นนี้พิกตุนุมไม่บอกก่อนแล้วนั่งลงนี้เป็นอาบัตเหมือนกับพระมหาเถระพิกตุนุมบอกแล้วไม่อนุ ญ, ญาตต้องอาบัตเหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้าพระตูนมไม่บอกก่อนนั่งอาบัตถ้าบอกแล้วพระเถระไม่อนุญาตพระเถระก็อาบัตเหมือนกันอันหนึ่งอย่าพึงห้ามการอาสนะพิกตุนมและอย่านั่งทับผ้าสังาติในละแวกบ้าน เมื่อเขาถวายน้ํากรอก บ, บาตรพึงประคองบาตรด้วยมือทั้งสองรับน้ําด้วยความเคารพก็คือมีสติสัมปชัญญะในี่ยนะเคารพไม่ได้ไปทําความเคารพน้ำหรอกแต่ว่าก็มีสติสัมปชัญญะในการรับก็คือทําความใส่ใจในการรับน้ํานั่นเองอย่าให้กระทบกรอบบาตรด้วยดีถ้ากระโถนมีพึงเทลงในกระโถนด้วยความเคารพก็ด้วยการ ม, มีสติตั้งใจ อย่าให้น้ำกระทบกระโถนกระเด็นขึ้นถูกพิสุผู้นั่งอยู่ใกล้ๆและถูกผ้าสังาติถ้ากระโถนไม่มีพึงเทลงในดินด้วยความเคารพอย่าให้น้ำกระเด็นถูกพิกสุนั่งใกล้และถูกผ้าสังขติเมื่อทายกถวายผ้าสุกพึงประคองบาตด้วยมือทั้งสองรับเข้าถูกเถิดพึงไว้โอกาสเพื่อสูปากแกงกับถ้าเป็นเนยใสยหรือว่าน้ำมันหรือว่าแกง พระเถระพึงว่ากับทายกว่าท่านจงให้เสมอกันไปแก่พิกตุทั้งปวงแต่ถ้าของน้อยพอแต่พิกจุรูปหนึ่งหรือว่าสองรูปเท่านั้นครั้นว่าจะให้ทั่วไปก็เป็นการเบียดเบีย น, ยนทายกเพราะเหตุ น, นั้นพึงรับของนั้นแต่คราวเดียวหรือสองคราวเหลือนั้นอย่ารับพึงตั้งสติและมีความสำคัญอยู่ในบาตรรับบินธบาตพึงรับแกงถั่วเท่าตัวที่สี่แห่งบินธบาต พึงร่า บ, บินธบาะเต็มเสมอขอบบาทข้างล่างจังหันยังไม่ทั่วถึงแก่ภิกตุทั้งปวงตราบใดเพราะเถระอย่าพึ่งฉันก่อนข้อนี้อาศัยโรงฉันเล็กภิกตุมีกําหนดถือโรงฉันที่ใดถ้ายกเขาปราถนาจะถวายให้ทั่วแล้วจะไหว้ภิกตุด้วยแต่โรงฉันใหญ่ในที่แห่งหนึ่งภิกตุฉันอยู่แห่งหนึ่งเขาถวายน้ําอยู่ในโรงฉันเช่นนั้นพึงฉันตามสบายเถิด เพืฉันบินตาบาตตั้งสติปฏิบัติตามเสกียวัตรทุกๆข้อจนถึงมือเปื่อนอามิตรอย่าจับอย่ารับภาชนะน้ําอันหนึ่งที่สุดทั้งปวงยังฉันไม่แล้วตราบใดพระเถระอย่าพึ่งรับน้ําล้างบาตรก่อนเมื่อทายกถวายน้ําล้างบาตรพึงประคองบาตรด้วยมือทั้งสองรับมาล้างบาตรปฏิบัติ ด, ดังกรอก บ, บาตรก่อนนั้นเถิดและอย่าพึงเทน้ําล้างบาตรทั้งเมล็ดข้าวลงในระแวกบ้าน เมื่อจะกลับจากโรงฉันพิสุน่มพึงกลับก่อนพระเถระพึงกลับที่หลังคือว่าด้วยว่าเป็นเรือนแพโอกาสที่พระเถระออกไม่มีพึงปฏิบัติ ด, ดังนี้เมื่อออกมาดังนี้แล้ว พ, พิกสุนมพึงยืนอยู่ที่ประตูเรือนครั้นพระเถระออกมาจึงไปตามลาดับถ้าแลพระมหาเถระนั่งอยู่ใกล้พิสุนมนั่งอยู่ภายในเรือนพึงออกตามลําดับตั้งแต่อาสนะแห่งพระเถระ อย่าให้กายต่อกายกระทบกันเดินให้เป็นแถวไว้ระยะห่างพอมนุษย์เดินได้ในระหวา่างพึงปิดกายด้วยดีเดินไปในระแวีบ้านปฏิบัติตามเสขียวัตรทุกๆุกข้อจนถึงอย่าเดินกระโยงเท้าในระเบีบ้านนั้นเถิดนี้แลเป็นวัดในโรงฉันให้พิจูพึงปฏิบัติด้วยดีดังนี้ในโรงฉันเถิดพักตัดคะวัดตังจบในเรื่องของ การปฏิบัติในโรงฉันซึ่งปกติแล้วโรงฉันก็ในครั้งก่อนนู้นจะอยู่ในระแวกบ้านปัจจุบันนี้เราก็มาฉันที่วัดกันทั้งนั้นนะต่อไปจะกล่าวนายปินดาจาริกวัตรวัดข้อที่หกนะในปินดาจาริกวัตนะรวความว่าภิกษุผู้จะเที่ยวไปเพื่อบิณฑบาตคิดว่าเราจะเข้าไปยังบ้านในการนี้แล้วพึงปิดกายให้มีมณฑลสาม นุ่งให้เป็นปริมณฑลผูกประกอเอวตอนผ้าสังขาติกับอุตราสงค์เป็นสองชั้นคมคลุมกรัดรังดุมล้างบาทแล้วถือเอาบาทยาดวนค่อยเข้าไปในบ้านให้ดีพึ่งปิดกายด้วยดีเดินไปในระแวกบ้านปฏิบัติตามเสขยวัดสำหรับเข้าระแวกบ้านทุกๆข้อจนถึงอย่าเดินกระย่งเท้าในระแวกบ้านเมื่อจะเข้าไปยังเรือนพึงกาหนดหมายว่า เราจะเข้าทางนี้ออกทางนี้และอย่าด่วนเข้าไปเร็วนักอย่าด่วนออกเร็วนักอย่ายืนให้ไกลนักใกล้นักอย่ากลับให้ช้านักอย่ากลับให้เร็วนักพึงยืนอยู่กําหนดดูทายกเขาปรารถนาจะให้หรือไม่ให้ถ้าทายกเขาหยุดการงานหรือลุกจากที่นั่งหรือจับทัพีหรือจับจาภาชนะหรือร้องนิมนต์ให้หยุดอยู่พึงรู้ว่าเขาจะให้แล้วและยืนอยู่เธอ เมื่อทายกถวายจังห um> ันพึงแหวกผ้าสังฆติด้วยมือซ้ายแล้วก็น้อมบาทออกด้วยมือขวาประคองบาทด้วยมือทั้งสองรับจังหันเธอแต่อย่ามองดูหน้าทายกผู้ถวายจังหันเป็นสตรีหรือบุรุษก็ตามอันนี้ก็คงจะแตกต่างจากยุคนี้นะจุคนี้เราก็จะแหวกสังฆติด้วยมือขวาเอาบาดออกด้วยมือซ้ายแต่ว่าในครั้งก่อนนั้นก็ให้แหวกสังฆติออกด้วยมือซ้ายแล้วก็น้อมบาทออกด้วยมือขวา และพึงกําหนดดูว่าเขาจะให้สูบปกแกงกับหรือไม่ให้ถ้าเขาจับทั้งทีหรือภาชนะหรือร้องนิมนต์ให้หยุดอยู่ก่อนพึงรู้ว่าเขาจับให้แล้วหยุดอยู่เถิดเมื่อเขาถวายจังหันแล้วพึงปิดบาดด้วยผ้าสังฆติยาดวนค่อยๆกลับให้ดีแล้วรักษาเตกียวัตในละแวกบ้านทุกๆข้อจนถึงยาเดินกระยองเท้าในละแวกบ้านรูปใดกลับแต่บินทบาด จากบ้านก่อนรูปนั้นพึงปูอาสนะไว้ที่โรงฉันปกติปัจจุบันนี้ก็ตอนเช้าเราก็ปูไว้ได้ร้อยละสิบสี่สิบห้านะมันกลับมาก็ฉันได้เลยแต่ว่าอันนี้ครั้งก่อนนี่เขาก็ไม่ได้ปูนะต่างคนก็ต่างไปเดี๋ยวใครกลับมาก่อนก็ต้องปูอาสนะไว้ที่โรงฉันแล้วก็ตั้งน้ําล้างเท้าต่างรองเท้าแล้วเบื้องสีเท้าไว้เน้นล้างภาชนะรองของฉันตั้งไว้ตั้งน้ําฉันน้ําใช้ไว้ก่อยท่า รูปใดกลับจากบ้านภายหลังถ้าของเหลือฉันมีอยู่จำงจะฉันไซสก็พึงฉันเธอถ้าไม่จำงจะฉันรูปนั้นก็พึงเอาไปเททิ้งเสียในที่ปราศจากของสดเขียวหรือต้นไม้ต้นหญ้าและเอาไปกดเสียในน้ําที่ไม่มีตัวสัตว์เธอนั้นพึงรือ้อเก็บอาสนะและเก็บน้ําล้างเทา้าตั่งรองเทา้ากระเบื้องสีเทา้าและล้างภาชนะรองของฉันเก็บเสีย เก็บน้ำฉันน้ำใช้และกวาดรงฉันเสียองค์ใดเห็นหม้อน้ำฉันน้ำใช้ถือว่าหม้อน้ำในเวชกุดีเปล่าอยู่ไม่มีน้ำองคนั้นพึงตักมาตั้งไว้ถ้าผู้เดียวยกไม่ไหวก็พึงปักมือร้องเรียกเพื่อนเป็นที่สองมาช่วยกันหิ้วตั้งไว้แต่เพราะเหตุ น, นั้นอย่าเปล่งวาจาพูดกันเลยนี้แลเป็นวัดแห่งพิฆตุผู้เที่ยวไปบิทบาทพิกตุเพึงปฏิบัติ ด, ด้วยดีเถิด ปินตะจาริกกวัตต่างจกปินตะจาริกวัตประพฤติกพกรออข้าวจะมีอันหนึ่งปินตปาตะจาริกะอันนั้นเป็นธุดงปินตปาตะจาริกวัตอันนั้นเป็นธุดงอันนี้ปินตะจาริกวัตวัดในการบินตบา่าเหมือนกันแต่ว่าอันนี้เป็นขันธวัตในทุดงนั้นอีกเรื้องหนึ่งจะ ก, กล่าวในอารันญิกวัตวัดข้อที่เจ็ ในอารัญญิกวัตรความว่าซีสุสผู้อยู่ป่าพึงลุกขึ้นแต่เช้าเอาบาทเข้าถุงแล้วเอาสายโยกคล้องในจงอยลายผาจีวรบนบ่าขึ้นรองเท้าแล้วก็เก็บเครื่องไม้เครื่องดินปิดประตูหน้าต่างแล้วพึงลงจากเสนาสนะที่อยู่มารู้ว่าจะเข้าไปบ้านในการนี้แล้วพึงถอดรองเท้าตกเสียด้วยเคารพแล้ว ก็เก็บไว้ในถุงบาตเอาสายโยกคล้องในจงอยลายปิดกายให้มีมวลทนสามนุ่งให้เป็นพริมวลทนต่อไปพึงปฏิบัติดังกล่าวแล้วในปินดาจาริกวัตุกข้อจนกลับมาจากบ้านถ้าน้ําในภายนอกบ้านไม่มีพึงทําพัฒกิจในภายในบ้านถ้าน้ําภายนอกบ้านมีพึงออกจากบ้านทำพัฒกิจในภายนอกบ้านแล้วล้างบาตร ท, ทาให้ปราศจากน้ํา แล้วเอาบาทเข้าถุงคล้องสายโยกในจงอยไหลจีบพักกีวรวางบนศีสระขึ้นรองเท้ามาอย่างเสนาชนะนี่แสดงว่าเขาฉันตรงไหนก็ได้นะไม่จําเป็นจะต้องฉันในเล้บ้าน่ะฉันในแล้บ้านฉันกลางป่าก็ได้ไม่จําเป็นจะต้องมาฉันที่วัดด้วยดูว่าที่ไหนมีน้ําฉันน้าใช้พอจะล้างบาตอะไรได้ก็ฉันตรงนั้นก็ได้ อันหนึ่งที่สุกผู้อยู่ป่าต้องตั้งน้ําฉันน้ําใช้ไว้และภาชนะไม่พอก็พึงทําน้ําฉันนั้นเองเป็นน้ําใช้ด้วยตั้งไว้เมื่อไม่ได้ภาชนะพึงเอาไว้ในกระบอกไม้ไผ่เมื่อไม่ได้กระบอกไม้ไผ่พึงให้อนุสัมพันธ์ทำหลุมไว้ในที่ใกล้และพึงสุมไฟไว้พึงตั้งไม้สีไฟไว้เมื่อไม้สีไฟมีอยู่แม้จะไม่สุมไฟก็ควร ที่ตุผู้อยู่ป่านฉันใดแม้ที่ตุเดินทางกันดานก็พึงปรารถนาไม้สีไฟเหมือนเช่นนั้นแต่อยู่เป็นหมู่เป็นคณะแม้จะปราศจากไม้สีไฟก็ควรอันหึ่งพิสูจอยู่ป่าต้องตั้งไม้ทาไว้และต้องเรียนให้รู้ดาวนักสักจะเลิกทั้งสิ้นหรือว่าแต่เอกประเทศและต้องเป็นผู้ฉราดรู้ในทิศนั้นนั้นตั้งแต่ตั้งน้ำฉันมา เหล่านี้ต้องทําคือข้อวัดเหล่านี้นี่นะต้องทําเพื่อรักษาตัวให้พ้นจากอันตรายแต่โจรราต้นเหตนุนี่โจรเข้ามาในป่าเห็นพระพิสุทึงหลายก็มาขอน้ําฉันต้องมาเดตั้งน้ำฉันเอาไว้บอกว่าไม่มีบอกว่าขอยืมไฟหน่อยเออไม่มีไฟอีกวันนี้ด๊อกอะไรก็ไม่รู้ว่าด๊อกอะไรอีกไอพวกนี้มาอยู่ป่ายังไงไม่ใช่พระพิสุตรงมั้งก็เลยทําร้ายพระพิสุเลยนี่ไม่เกื้อกูลอะไรแก่พวกโจรบ้างเลย นี้แลเป็นวัดแห่งพิกษุผู้อยู่ปาพิกษุผู้อยู่ป่าพึงปฏิบัติดังนี้เถิดอารัญยิกะวัดต่างจบต่อไปจะกล่าวในเสนาสนาวัตวัดที่แปดในเสนาสนาวัตความว่าพิกษุผู้อยู่ในวิหารคือกุฏีใดถ้ากุฏีนั้นรบด้วยอยากเยื่อผิว่าอุตสาหะจะชําระได้พึงชําระปัดกวาดเสีย เมื่อจัดชำระกุดีพึงขนบาทและจีวร อ, ออกวางไว้ข้างหนึ่งก่อนแล้วขนผ้านิสีธนะเครื่องลาดบนเตียงตังออกวางไว้ข้างหนึ่งก่อนพึงขนฟูกหมอนออกวางไว้ข้างหนึ่งเตียงตังพึงทำโดยความเคารพอย่าให้กระทบคลูดสีบานประตูขนออกด้วยดีตั้งไว้ข้างหนึ่งแล้วขนเขียงรองเท้าเตียงและกระถนและพนักอิงออกวางไว้ข้างหนึ่ง เครื่องลาดพื้นพึงกําหนดที่ปูแล้วขนออกวางไว้ข้างหนึ่งเดี๋ยวเวลาเอามาเก็บก็เก็บไว้ที่เก่าเท่นั้นต้องกําหนดว่าขนอะไรออกไปจากตรงไหนก็จะต้องออกมาไว้ที่เดิมเป็นเรื่องการมีสติสัมชัญญยอะด้วยนะถ้าในวิหารอยากย่้ายห้อยย้อยพึงกวาดแต่เพดาน ล, ลงมาตอนหน้าตาเป็นราพึงเช็ดเตียถ้าฝาเขาทําบริกรรมด้วยโรงแระพื้นเขาทาสีดําเป็นราขึ้น พึงเอาท่อนผ้าชุบน้ำบิดเช็ดเสียถ้าพื้นเขาไม่ได้ฉาบทาเล่าไซพึงเอาน้ำปะพรมรงก่อนแล้วจึงเช็ดอย่าให้ผงฟุ้งขึ้นตกติดกุดีพึงกวาดเก็บหยักเยื่อไปเทเสียที่สมควรอย่าตบเคาะเสนาสนะเครื่องปูนลาดในที่ใกล้ทิกสุอื่นและในที่ใกล้วิหารกุดีและในที่ใกล้น้ำฉันน้าใช้ และอย่าตบเคาะในที่แจ้งเหนือดมพึงตบเคาะในที่ใต้ลมเครื่องล่าพื้นพึงตากเสียที่สมควรแล้วชำระตอบปัดเสียขนกลับเข้าไปปูไว้อย่างเดิมเคียงรองเท้าเตียงก็พึงตากเสียแล้วขับเช็ดขนกลับไปตั้งไว้ตามที่เตียงต่างก็พึงตากชำระตบปัดเสียแล้วทําโดยเคารพ อย่างให้กระทบครู่สีขนกลับเข้าไปไว้อย่างตั้งอยู่เดิมฟูกหมอนผ้านิสีตนาเครื่องลาดบนเตียงตังพึงตาเสี็จแล้วชาระตกปัดเสียแล้วก็ผลกลับเข้าไปไว้อย่างตั้งอยู่เดิมกระโถนพนักอิงก็พึงตาขัดเสียแล้วขนเข้าไปตั้งไว้ตามที่บาทยีวรก็พึงเกตเสียเมื่อจะเกตบาทมือข้างหนึ่งถือบาท มือข้างหนึ่งก็รูปใต้เตียงตังแล้วจึงเก็บอย่าวางบาทในพื้นไม่มีของสิ่งใดสิ่งหนึ่งนะอย่าวางบาทในพื้นที่ไม่มีของสิ่งหนึ่งสิ่งใดเป็นต้นว่าใบไม้รองคือต้องมีของรองบาทไไว้ใส่นี้ก็มีขาบาทรองอยู่แล้วเมื่อจะเก็บจีวรเอามือข้างหนึ่งถือจีวรเอามือข้างหนึ่งรูปราวจีวรหรือสายระยงแล้ว เอามือสอดใต้ราวจีวรค่อยๆวางให้ชายจีวร อ, อยู่ข้างในขนดผ้าอยู่ข้างนอกหน้าตัวถ้าลมเจือด้วยผงคลีพัดมาแต่ทิศใดคือทิศตะวันออกหรือว่าทิศใต้ทิศตะวันตกหรือว่าทิศเหนือพึงปิดหน้าต่างข้างทิศนั้นเสียถ้าเป็นฤดูหนาวกลางวันพึงเปิดหน้าต่างกลางคืนพึงปิดเสียเพราะว่า กลางวันนี่แดดมันสอดเข้ามาจะ ไ, ได้อบอุ่นกลางคืนนี่มันหนาวเพราะนั้นก็ปิดเสียลมหนาวจะได้ไม่เข้าถ้าเป็นฤดูร้อนกลางวันพึงปิดหน้าต่างเสียเพราะว่าไอร้อนจากแดดมันจะเข้ามาส่วนกลางคืนก็พึงเปิดไว้เพราะว่าลมต่างๆจะได้เข้ามาบ้างถ้าบริเวณแรัก้มและโรงฉันโรงไฟเวช ก, กุดีที่เหล่านี้แห่งใดแห่งหนึง่งรบด้วยหยาบเยื่อพึงกวาดเสียถ้าน้ําฉันน้ําใช้ไม่มีก็พึง ตักมาตั้งไว้ถ้าน้ําในหม้อชําระไม่มีก็พึงตักมาไว้ถ้าอยู่ในกุดีเดียวกับพิจูดแก่กว่าไม่บอกพิจูดผู้แก่ก่อนอย่าให้อุเทศและปริพุชฉาคือบอกบาลีและอัจฉริยอย่าช่องตัวสาธยายอย่าแสดงธรรมอย่าตามประทีปอย่าดับประทีปอย่าเปิดอย่าปิดหน้าตา่างแต่ประตูเป็นที่ใช้สอยใหญ่ เพระเหตุนั้นในการปิดการเปิดประตูกิจซึ่งจะต้องบอกพิสุกแก่ก่อนไม่มีแต่การให้อุเทนเป็นต้อนนอกนั้นต้องบอกผู้แก่ก่อนจึงทำได้จะบอกทุกวันก็ควรถ้าแม้พิสุนมบอกเสีว่าจงเป็นอันบอกแล้วทีเดียวหรือว่าอย่าต้องบอกอีกเลยผมบอกแล้วนะครับวันเดียวเป็นอันว่าทุกวันผมก็บอกอย่างนี้นะครับผู้แก่รับว่าสาธุหรือผู้แก่กล่าวเองว่า ท่านจงอยู่ตามสบายเถิดแม้อนุญาตแล้วดังนี้ก็ควรถ้าเป็นสภาคะคุ้นเคยกันแม้จะไม่บอกด้วยความคุ้นเคยก็ควรแท้คุ้นเคยกันแล้วเนี่นะกับพระเทระเนี่ยถ้าเดินในที่จงกรมกับที่สุผู้แก่ป่าไซย่าพึงกลับให้ตกหน้ากับที่สุผู้แก่ป่าและอย่า ก, กระทบกระทั่งที่สุผู้แก่ป่าด้วยมุมจีวร อ, อันนี้แหลเป็นเสนาสนาวัต ภิกษุทั้งหลายพึงปฏิบัติด้วยดีในเสนาสนะดังนี้เถิดเสนาสนะวัดตังจบต่อไปก็เป็นชันตาครวัตวัดในโรงไฟเป็นวัดที่เก้าข้อหนึ่งพระองค์ทรงห้ามไว้ว่าในเรือนไฟภิกษุนมอันทิกษุผู้เป็นเถระห้ามไว้ไม่ให้ตนฟืนมากอย่าใส่ฟืนเข้าไปมากและอย่าอาศัยความไม่อื้อเฟือขืนตนฟืนเข้ามากติดไป ใส่ฟืนเคยมากนี้ถ้าเธอใดขืนกลนฟืนเข้ามากติดไปต้องทุกข์กดข้อหนึ่งอย่าพึงปิดประตูนั่งเฝ้าประตูอยู่ถ้าเธอใดปิดประตูนั่งเฝ้าประตูต้องทุกข์กดก็คือไปนั่งขวางประตูพระเสด็ออกไม่ได้ก็เลยทารัวันล้มสลบลงความในชันตาครวัดว่าพิกสุใดไปยังชันตาคระก็คือเรือนไปเป็นที่ย่างกายให้รำลับโรคก่อน ถ้าขี้เท่าในเรือนไฟหนามากไสเธอผู้ไปก่อนนั้นพึงเทเสียถ้าเรือนไฟและบริพันต์คือลานภายนอกเรือนไฟในที่ร้อแมและซุ้มและศาลาแห่งเรือนไฟเหล่านี้รกด้วยหยาดเยื่อพึงกวาดแผ่เสียพึงบดจุนไว้พึ่งเอาดินสําหรับทาหน้าแช่น้ําไว้พึ่งเอาน้ํามาไว้ในรางน้ําก่อนแล้วจึงเข้าไปยังเรือนไฟ เมื่อจะเข้าไปพึงเอาดินทาหน้าแล้วปิดทางข้างหน้าข้างหลังจึงเข้าไปในเรือนไฟอย่านั่งเบียดชิดพิจุผู้เป็นเทระและอย่าห้ามปันอาสนาพิกจุนุมเท่าสาหะไซพึงทำบริกรรมบีดนวดให้พิจุผู้เป็นเทระในเรือนไฟเมื่อจะออกจากเรือนไฟพึงถือเอาตั่งสำหรับเรือนไฟแล้วปิดทั้งข้างหน้าข้างหลังออกจากเรือนไฟ ถ้าอุสาหะไซพึงทำบริกรรมคือขัดสีตัวให้แก่ภิกษุผู้เป็นเทระในน้ำด้วยและอย่าอาบข้างหน้าภิกษุผู้เป็นเทระทั้งหลายอย่าอาบเหนือน้ำแห่งพระเทระอาบแล้วเมื่อจะขึ้นคึงให้ทางแก่พระเทระทั้งหลายซึ่งจะขึ้นเธอใดออกจากเรือนไฟภายหลังถ้าเรือนไปเปื้อนเธอนั้นพึงล้างเสียพึงล้างรางสำหรับแช่ดินเก็บตังสำหรับเรือนไป ดับไฟปิดประตูแล้วจึงหลีกไปนี้แหละเป็นฉันตาคารวัตให้พิสุนทั้งหลายพึงปฏิบัติด้วยดีในเรือนไฟดังนี้เถิดเรือนไฟนี่พระองค์ทรงอนุ ญ, ญาตไว้เพื่อเป็นที่ย่างกายซึ่งหนาด้วยโทษฉันอาหารประนีตถ้าฉันอาหารประนีต ก, ก็มีโทษมากก็ให้มาย่างกายให้ไขมันมันออกมาเป็นเนื่อตามคาของหมอชีวโกโมรพักราบทูล แม้ทุกวันนี้ไม่ใช้เรือนไปก็พึงปฏิบัติในธรรมเนียมอาบน้ํานั้นเถิดชันตาคารวัตตังจบต่อไปในวัดจักกุดีวัดข้อวัดข้อที่สิบในเรื่องของการปฏิบัติห้องน้ําห้องส้วมข้อหนึ่งทงห้าไมไวว่าพิสูจน่ายอุจจาระแล้วเมื่อน้ํามีอยู่อย่าพึงไม่ล้างชำระก็คือต้องล้างชำระนั่นเองถ้าเธอใดไม่ชำระเสียด้วยน้ําต้องทุกข์กด ถ้ามีน้ำอยู่แต่ที่กระงไม่มีพึงตักน้ำไปด้วยภาชนะล้างชำระเสียในที่รับเถิดถ้าภาชนะไม่มีพึงตักน้ำไปด้วยบาตรอนุญาตบาตรให้ตักน้ำไปล้างก้นได้ถ้าไม่มีภาชนะอื่นแม้บาตรไม่มีก็ชื่อว่าไม่มีภาชนะเมื่อคิดว่าที่นี้แจ้งนะักไปข้างหน้าน้ำอื่นจักมีอยู่และไปเมื่อไม่ได้น้ำเลยเป็นเวลาจวนจะไปพิขาจา์เสีย ก็พึงเช็ดเสียด้วยไมย้หรือของสิ่งใดสิ่งหนึ่งแล้วจึงไปแม้จะฉันหรือว่าทำอนุโมทาก็ควรให้เช็ดก่อนอย่าให้มันไปส่งกลิ่นคลุ้งในกระแว้บป้า น, น้นข้อหนึ่งทรงห้ามและอนุ ญ, ญาตไว้ว่าในวัด จ, จักุูดีพิจุยาพึงถ่ายเวทตามลำดับผู้แก่ภรษาถ้าเพอใดไปถ่ายอุจจาระตามผู้แก่ต้องทุกข์กต เราตถาคตอนุญาตให้ไปถ่ายอุจจาระตามลําดับที่มาใครถึงก่อนก็ถ่ายก่อนไม่ต้องเตรอนิมมลพระเถระเข้าก่อนนะครับตอนเหตุก็ทําให้พิจุหนุ่มรูปหนึ่งรั้นอุจจาระจนทั้งล้มสลบเลยในวัด จ, จกักรูดีในที่ถ่ายปัสสวะในท่าน้ำสามสถานที่นี้ลําดับคู่มาถึงก่อนนั่นแหลเป็นประมาณใครถึงก่อนก็ทํากิจในนั้นก่อนสามที่ด้วยกันก็คือในที่ถ่ายอุจจาระวัดจักรูดี ที่ถ่ายปัสสวะอย่างหนึ่งแล้วก็ที่ทาน้ําอย่างหนึ่งสามที่ใสรถึงก่อนก็ลงอาบก่อนใครถึงก่อนก็ปัสวะก่อนถ่ชรุระก่อนได้ความในวัดจักรกูดีวัดว่าภิกษุใดไปวัดจักรกูดีเธอนั้นพึงยืนข้างนอกกระแอมไอขึ้นก่อนแม้ภิกษุผู้นั่งข้างในพึงกระแอมไอรับแล้วไม่ต้องไประยัใครอยู่ข้างในบ้างมีใครอยู่หรือเปล่าไม่ต้องอ น, นะนะ จวไม่ต้องไปเคาะใกแกแอม <c oughs> ก็คุณอยู่ข้างในก็กแอมรับก็รู้กันแล้วว่ามีคนอยู่ข้างในกระดอนสักพักหนึ่งพึงพาดจีวรลงบนราวจีวรหรือว่าสายระเดียงแล้วก็ไม่ให้เอาจีวรเข้าไปในห้องซุวมเพราะว่ามันจะเลอเทอะสมัยนี้ก็สะดวกสบายแต่ว่าเ อ, อื้อเฟื้พระวินัยก็พาดจีวรไว้ที่สายระเดียงข้างนอกอย่าดวนค่อยๆเข้าไปในวัดจะกรดีด้วยดีอย่าเข้าไปให้เร็วพันนะัก อย่าเลิกพานุ่งเข้าไปพึงยืนบนเขียงเวทแล้วจึงเลิกพานุ่งอย่าเบ่งดังอึดอืดทอดถอนใจใหญ่พรางถ่ายอุจจระทางอย่าเคี้ยวไม้สีฟันคางในวัดจักุดีหรือที่ใช่วัดจักุดีคือจะเป็นที่ถ่ายอุจระหรือไม่ใช่ที่ถ่ายอุจจระก็ตามเมื่อถ่ายอุจจระห้ามไม่ให้เคี้ยวไม้สีฟันในที่ทั้งปวงเลยสมัยนี้ไม่ได้ใช้ไม้สีฟันใช้แปลงก็คงจะคล้ายๆกัน นนสนขณนที่ถ่ายอยจจาระก็ไม่ควรจะแปลงฟันไปด้วยก็วควรจะมนักิการกรรมฐ า, านาความปฏิกูลอะไรต่างๆอันหนึ่งย่าถ่ายอุจจาระลงนอกรางเวอย่าถ่ายปัสสาวะลงนอกรางปัสสาวะอย่าบ้วนน้ำลายน้ำมูกน้ำหมากลงในรางปัสสาวะอย่าเช็ดชำระด้วยไม้คมคือไม้ผ่าไม่ได้เหลาคมแข็ง หรือไม้เป็นปอมเป็นหนามเป็นโซงไม้ผูกเหล่านี้อย่าชําระแต่ไม่ถือเอาไม้ชําระเข้าไปในวัดจกดุดีไม่เป็นอบับละนะเพราะว่าล้างเลยก็ได้ถ้าใครไม่เช็ดก่อนก็ล้างเลยอันหนึ่งอย่าทิ้งไม้ชําระลงในหลุมเวทถ่ายอุจระแล้วพึงยืนบนเขียงเวทปิดผ้าก่อนอย่าออกให้เร็วพลันนักอย่าเลิกผ้านุ่งออกมาพึงไปยืนที่เขียงชําระแล้วจึงเลิกผ้านุ่ง อย่าชมระด้วยน้ำทำเสียงดังจับูจับูอย่าให้น้ำเหลืออยู่ในภาชนะน้ำชมระข้อนี้ประสงค์แต่ในที่สาธารณะทั่วไปแก่พิจูตทั้งปวงด้วยว่าในที่เช่นนั้นพิจูอื่นๆเปลี่ยนกันมาก็าจะเกิดความรังเกียจถ้าเหลือน้ำเอาไว้ในภาชนะเพราะเหตุนั้นจึงอย่าให้น้ำเหลืออยู่แต่ที่อันใดเขาทำไว้ในเอกเทศอันหนึง่งในวิหารแม้เป็นของสงศ เพื่อจะไปถ่ายอุจจาระ 1- นงนิดหรือเป็นที่วัดจักรดีของบุคคลในที่เช่นนั้นจะให้น้ำเหลืออยู่ก็ควรก็ไม่เป็นไรยังไม่เป็นอบัติแม้ฉันยาถ่ายไปบ่อยๆจะเหลือไว้ควรแท้อันหนึ่งชำระแล้วพึงยืนบนเขียงชำระปิดปด้วยผ้าถ้าวัดจักรดีแปดเพื่อนด้วอุจจาระพึงตักน้ำมาล้างเสียน้ำมีอยู่แต่ภาชนะไม่มีหรือว่าภาชนะมีแต่น้าไม่มีก็ชื่อว่าไม่มี เมื่อไม่มีทั้งสองอย่างชื่อว่าไม่มีแท้พึงเช็ดด้วยไม้หรือวัตถุสิ่งใดสิ่งหนึ่งแล้วจึงไปเถอะถ้าจะกล้าไม้ชมระเต็มไซพึงเทเสียถ้าวัดจกดักรดีหรือที่บริพันคืนที่แจ้งในที่ร้อมข้างนอกวัชตบุดีหรือบริเวณหรือว่าซุ้มแห่งวัชจบกรดีเหล่านี้แองใดแห่งหนึ่งรอกด้วยหยาดเยืงเง่อพึงกวาดเท้าเสียถ้าน้ําในหม้อชมระไม่มีไซก็พึงตักน้ํำมาไว้ นี้แหละเป็นวัดจักุดีวัดแห่งที่สูตทั้งหลายที่สูตทั้งหลายพึงปฏิบัติด้วยดีในวัดจักุดีที่ถ่ายอุจจระเถิดวัดจักุูตีวัดตังจบอันนี้ก็เป็นเรื่องของวัดจกุดีเป็นวัดที่ศิษวันนี้ก็สมควรกับเวลาเราขอให้ท่านทั้งหลายเอื้อเฟื้อต่อข้อวัดในการที่จะประพฤติแบดตามพระวินัยข้อวัดนี้ก็เกื้อกูลเกื้อกูลแก่ศีลพิจูตต้องเป็นผู้ที่ ถึงพร้อมด้วยศีลและวัดอันถ้าข้อวัดไม่รักษาไม่ประพฤติศีลก็จะบกพร่องไปด้วยอันก็เอื้อเฟือทั้งพระวินัยซึ่งเป็นข้อวัดทั้งตัวศีลซึ่งเกื้อกูลแต่การที่จะอบรมไตรศึกขาเป็นอธิศีรัสสิกขาก็าจะทําให้มีจิตสงบตั้งมั่นเกื้อกูลกับการอบรมวิปัสสนาก็ขอให้รู้แจ้งอริยสัจธรรมตามคําสอนของพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าแล้วก็เป็นผู้ที่ประพฤติปฏิบัติเอื้อเฟือทําตนให้เป็น ประโยชน์แต่ตนเองแล้วก็คือคุณแก่พระาศาสนาเป็นทิศฐานุกติกาชนรุ่นหลังความเจริญงอกงามในธรรมวินั ย, นยจนกระทั่งบรรลุเป็นฆาอริยะในที่สุดด้วยเทินสาธุสาธุสาธุ